ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมผู้ที่สนใจฝากฝ่ายในธรรมะมาร่วมกันประชุมฟังธรรมในวันนี้เป้าหมายของการฟังธรรมะก็เพื่อที่จะนำเอาไปเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตเนี่ยมันถูว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรามีเครื่องมือที่จะจัดการกับปัญหาทุกปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้ถ้าใจมีธรรมะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าชีวิตทุกวันเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ล้อมรอบเรามันก็ไม่ใช่ล้อมรอบอย่างเดียวหรอกคนไหนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์มันก็เข้าสู่จิตใจเรา มันก็อยู่ในเนื้อในตัวเรานั่นแหละหนี้ไม่พ้นแล้วปัญหาข้างนอกที่มารุมเร้ากับปัญหาข้างในที่ต้อนรับก็เลยดิ้นไม่หลุดแต่เรามีธรรมะเอาไว้แก้ไขมีไว้แก้ปัญหาตรงนั้นให้เริ่มต้นที่จิตที่ใจเราเพราะปัญหาสาคัญเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งภายนอกหรอกมันเริ่มต้นที่ใจเราต่างหากมุมมองของใจเราเนี่ย มันมองไม่ตรงกับความจริงของปัญหาเรามองด้วยความรู้สึกของเราไม่ได้มองด้วยความรู้สึกของความที่เป็นจริงมันจึงเป็นปัญหาในใจเราบางทีข้างนอกไม่ใช่ปัญหาคนอื่นไม่ใช่สร้างปัญหากับเราแต่เรานั่ยแหละสร้างปัญหากับตัวเเองและก็คนอื่นด้วย <c oughs> นั่นเรามาอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เรา ลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของความคิดเราต้องขบคิดขบคิดในการทําหน้าที่ในการใช้ชีวิตกระทั้งหาความสุขแล้วก็ต้องใช้ความคิดที่ช่วยเหลือเรื่องของการขบคิดนี่แหละบางทีเราคิดแล้วมันขบไม่แตกยิ่งขบยิ่งเก็บก็มันขบไม่แตกเพราะนั้เราต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือไปก่อนเห็นไหมอย่างเดียวเนี่ย มีปัญหารอบตัวเราที่เราจะสัมผัสได้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เ, เรื่องเกี่ยวกับความไม่สงบของบ้านเมืองเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจซับซ้อนคนตกงานตกงานแล้วก็ตกใจ <c oughs> เหลือมบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความคิดหาความสุขไม่ได้บางคนน่าเป็นห่วงนะเป็นโรควิตกกังวล มางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางแห่งถึงกับฆ่าตัวตายเพราะปัญหาชีวิตเนี่ยมีนะเมื่อไม่กี่วันนี้มีคนญี่ปุ่นมาหาที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมได้ฟังว่าญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นมหาอำนาจในด้นานเศรษฐกิจแต่อัตราการฆ่าตัวตายก็มีเยอะเพราะเศรษฐกิจนี่มันตกต่ำมันพลิกผัน คนตกงานในญี่ปุน่นแล้วก็ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการไม่แปลก <c ười> คือกระโดดเหวตายแต่มันแปลกที่ว่าทำไมเขาจึงกระโดดเหวตาย <c ười> เขาพาการไปกระโดดเหวตายที่ภูเขาไฟฟูจิแล้วก็บอกว่าที่กระโดดเหวต า, ตายตรงเนี้ยจะได้ไม่ต้องให้คนที่อยู่ด้านหลังจะต้องลำบากไงก่อนตายยังห่วงเรียบร้อยจัดการไว้ไม่ต้องทำอะไระเขา เ, เขาลงไปแล้วไม่ต้องไปหาขึ้นมาแล้วมีเยอะด้วยอรีบได้รับฟังจากคนญี่ปุ่นมีเยอะด้วยแต่เมืองไทยก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะ <c oughs> อนาคตก็ยังไม่แน่อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ทางนั้นแต่ในทางตรงข้ามปัญหาที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่บางคนเนี้ยนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้สึกเลือดเนื้อร้อนใจมองเป็นเรื่องธรรมดาก็มีนะ มีไหมคนที่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่คนที่รู้ปัญหาเนี่ยเขาจะวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่แบบเฉยแบบไม่รู้นะเฉยแบบรู้แล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขสองประเภทที่ต่างกันเลยนะประเภทแรกคือเป็นทุกประเภทสองคือเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราต้องมาดูที่มุมมองของจิตใจเรามันขึ้นอยู่กับการวางใจการวางใจของปัญหาเนี่ยสำคัญมาก จะวางใจยังไงให้มันถูกตรงคืออยู่การวางใจแล้วเราจะวางใจได้นั้นมันต้องอาศัย ห, หลักธรรมบางคนนี่เขาบอกเขาไม่ใช่สนใจธรรมะเลยนะแต่เขาวางใจได้ดีดมากแต่เขาไม่เข้าใจเลยว่านั่นแหละคือธรรมะที่ไม่ใช่ชื่อหนังสือแล้วก็รูปแบบแต่เป็นสภาวะเจือเกินในใจเขาสามารถวางใจกับปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องไม่ต้องปฏิเสธว่าไม่ใช่ธรรมะ นั่นแคือธรรมะที่ไม่ใช่คำพูดมันเป็นไปได้นั้นสำคัญที่ว่าการเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเราจะเผชิญด้วยจิตแบบไหน <c oughs> จิตที่ขาดธรรมะก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่จะเรื่องทอแท่ใจมองปัญหาต่างๆเป็นแง่ร้ายไม่ยอมรับกับปัญหาไม่ยอมรับ แล้วก็โกรธแค้นโทษคนนูน้นโทษคนนี้โทษสิ่งอื่นผลสุดท้ายก็เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจและผลจะเป็นยังไงอ่ะผลก็เป็นฝ่ายลบก็ทำให้จิตใจเป็นทุกข์เท่ากับตอกย้ำตัวเองหมดกำลังใจที่จะแก้ปัญหาอันนี้คือคนที่ไม่มีธรรมะส่วนคนมีธรรมะเขามองปัญหาแบบไหนเขามองปัญหาแบบ มองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามองด้วยใจเป็นกลางมองด้วยใจเป็นกลางว่าอ๋อเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามันเหมือนอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตและไม่ช้ามันก็จะผ่านออกไปไม่มีสิ่งไหนที่มันคงที่คงทนถาวรปัญหาต่างๆนี่ไม่ใช่วันจะไม่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมันก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ทุกอย่างมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่มีการนิ่งอยู่กับที่แม้แต่ยดีธรรมนั่งนิ่งแต่ในความนิ่งเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ในตัวลมหายใจกระพริบตาขยับตัวความคิดใ่ไ <c> ม <oughs> มันมีการเคลื่อนไหวไม่เรื่องธรรมดาพาทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ว่าสิ่งนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เราเกิดความพอใจชอบใจหรือไม่พอใจไม่ชอบใจก็ตามดูดีเถอะมันมีค่ามีราคาเดียวกันทนะั้งนั้นคือความไม่เที่ยงเราชอบใจมันก็ลงราคาที่มันไม่เที่ยงมันไม่ชอบใจก็ราคาเดียวกันคือความไม่เที่ยงลงหยุดจุดเดียวเนี่ยความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยไปกดธรรมชาติทั้งนั้น คนมีธรรมะจึงมองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดามีค่ามีราคาเดียวกันแม้แต่ความสุขกับความทุกข์มันก็มีค่ามีราคาเดียวกันทังนั้นคือความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองนี้เราจะได้กำลังใจเห็นไหมป่วยการที่จะเป็นทุกข์กับปัญหาภายนอกที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นทุกข์วิตกกังวลใจนอนไม่หลับกินไม่ได้มันช่วยอะไรเราไม่ได้สู้เรา มองในแง่ดีแล้วเอาปัญหานั้นมาเรียนรู้อ๋อนี่เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นธรรมดาน้ํามันมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเนี่ยมันลงได้ไม่นานมันขึ้นอีกแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นมองทุกอย่างเป็นสิ่งธรรมดาคือมองแบบคนมีธรรมะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขโดยหน้าที่นะมันต้องดูจังหวะก่อนผีผามเข้าไปเนี่เราเองก็จะเจ็บตัวต้องดูแล้วก็เข้าไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ก่อนจะเข้ามาผมดูก่อนมีคนฟังหรือเปล่าถ้ามีคนฟังเข้ามาได้อย่าเพิ่งเข้ามานั่งก่อนเดี๋ยวว่าเห็นผมนั่งแบบนี้เขาไม่ฟังแล้วมันต้องดูจังหวะและแคเข้ามาพูดทุกอย่างดูจังหวะปัญหาและเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องมองปัญหาแบบคนมีธรรมะนี่ผมกล้าพูดว่าที่นี่มีธรรมะทั้งนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยจิตใจไม่ฝักฝ่ธรรมะเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาฟัง เป็นบุคคลที่มีจิตใจฝักใฝ่ธรรมะมองปัญหาเป็นแบบเป็นเรื่องธรรมดาเพื่ออะไร <laughs> เพื่อรักษาจิตใจเราให้เป็นปกติสุขภาพจิตจะดีนะ <laughs> มันก็มีความสุขมีความเบิกบานปัญหาทำให้จิตเบิกบานได้เ <laughs> ชื่อไหม <laughs> การรู้ความจริงของสิ่งนั้ น, นทำให้ใจเรามีความสุขความสงสัยทำให้ใจเราเป็นทุกข์พอได้คำตอบนั่นงาว่าแล้วนะ พอได้คำตอบแล้วมันก็ใจมันก็เบิกบานเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางกิดวางใจกับปลากว่าการที่เกิดขึ้นถ้าวางใจถูกต้องแล้วเราก็จะมีความสุขมีกําลังใจรวมถึงการปฏิบททัติธรรมก็เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็เห็นมีอดีธรรมนั่งยกมือสร้างจังหวะโอ้มันเป็นดอกไม้ประดับศาลาปันมีเลยดูแลงดงามเนี่ยเพราะนั้น แม้แต่การปฏิบัติธรรมการเจรตสติก็ต้องอาศัยการวางจิตวางใจให้ถูกต้องถ้าเราวางใจถูกต้องแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็ไม่ลำบากเห็นผลได้ไวถ้าเราวางใจผิดเรื่องง่ายมันกลายเป็นเรื่องยากอธิบายก็ยาก เ, เกินและเกินหน้าดำข่าเคร่งแล้วบางทีมันก็เนิ่นช้าเสียเวลา การวางใจนี่สำคัญนะอย่างเช่นการเจริญสติเนี่ยระดับแรกเราต้องเริ่มต้นวางใจให้ถูกต้องจะเป็นในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ตามจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมอันนี้ก็ต้องวางใจให้ถูกต้องเราต้องเริ่มเริ่มต้นนำร่องให้จิตใจไ้ก่อนการที่จะรู้กายเคลื่อนไหว ยมีกายเคลื่อนไหวเมื่อรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นฐานเป็นฐานให้สติเเข้าไปตั้งรู้การเข้าไปตั้งรู้ในฐานเนี่ยต้องรู้ด้วยจิตที่มันเป็นปกตินะต้องวางใจให้เป็นปกติแบบรู้แบบไม่ต้องการอะไรรู้แบบไม่ว่าอะไรก็รู้เฉยๆเริ่มต้นนําร่องด้วยจิตที่มันเป็นปกติ ทั้งฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมพวกฐานเราเนียมันเป็นที่ตั้งให้สติเข้าไปตั้งรู้เข้าไปตั้งรู้นะอย่าเข้าไปอยู่คาว่าตั้งรู้นี่ก็คือรู้อยู่ห่างารู้อยู่เฉยๆด้วยจิตใจที่ปกติเมื่อพลิกมือสติรู้อันนี้จิตเราปกติแล้วเป็นปัจจุบันแล้ว นะยกมือรู้สึกจิตก็เป็นปกติแล้วปัจจุบันแล้วได้เจริญสติแล้วเมื่อเกิดความปวดเมื่อยสติรู้ว่ามันปวดเห็นมันปวดจิตก็ปกติแล้วมีสติแล้วปัจจุบันแล้วได้ปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อจิตมันคิดรู้จบลงที่รู้ด้วยจิตที่เป็นปกติ ไม่ต้องยินดียินร้ายรู้เฉยๆก็อยู่กับปัจจุบันกับความคิดคือรู้ที่ความคิดก็เป็นปกติแล้วมันก็เป็นการปฏิบัติแล้วไม่ว่าจิตมันจะคิดเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเมื่อมันผุดขึ้นมาในจิตใจสติตั้งรู้ขึ้นมาปั๊บจบอย่าปล่อยให้มันปรุงต่อถ้าจะปรุงต่อแล้วเราจะต้องรู้ต่ออีกยาวไกลแล้วก็ไปลงท้าย้วยทาให้จิตเป็นปกติใช่ไหม แล้วก็เริ่มต้นนำร่องจิตใจด้วยรู้เฉยๆด้วยจิตที่เป็นปกติมันจะได้ว่างจากการปรุงแต่งได้ทันทีเมื่อจิตมันตั้งรู้เฉยเมื่อสัมผัสกับสภาวะธรรมเพราะการจรติตเนี่ยมันต้องมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นไม่ใช่มีเฉพาะกายที่มันเคลื่อนไหวอย่างเดียวเดี๋ยวมันเกิดสภาวะธรรมที่เนื่องต่อจากอาการของกายจากอาการของจิต ที่ต่อจากอาการของกายก็คือเรื่องของทุกขเวทนาต่างๆเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ต่อจากอาการของจิตก็คือความคิดที่มันปรุงแต่งเป็นความยินดียินร้ายมันก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมอาการเหล่านี้ยเราไม่ได้ห้ามนะเราสามารถรู้ทันมันได้รู้ <c oughs> ในอาการที่มันเกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นปกติใช่ไหมสัมผัสกับสภาวธรรมแบบจิตที่เป็นปกติเนี่ยมันหลุดออกจากกันไปเลย มันเดินจะไปคนละเส้นทางเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องค้นหารู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันไม่ชัดไม่ชัดก็ไม่ชัดอย่าไปข่มขืนจิตมันมันได้แค่ไหนกแค่นั้นอันนี่ยอิสระอิสระไม่ชัดไม่เป็นไรก็รู้เอาใหม่ของใหม่มีให้ดูอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันรู้แล้วก็ผ่านไปต้องวางใจให้ถูกต้องกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความคิดเนี่ยเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ย ถ้าวางใจไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ทุกไปไกลความคิดปรุงแต่งถ้าวางใจถูกต้องเนี่ยมันหลุดมันเดินคนละเลนเลยขับรถคนละเลนเลยเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีญาติธรรมมาคุยว่าเขาเจริญสติดูกายดูใจไปวันหนึ่งเขาดูแล้วโอ้จิตนี้เขาปลงมากเลยเขามองเห็นอดีอนาคตว่าอดีอนาคตจะมีแต่การปรุงแต่ง ปัจจุบันนี้มันไม่มีอะไรมีแต่รู้เฉยๆปลื้มไปหลายวันก็กลับไปทิง้งเดี๋ยววันนี้โอ้ไม่เหมือนเดิมซะแล้วถูกความคิดมันไหลเทมัมนไหลเทมามันย่ำยีจนจิตใจเนี่ยตั้งตัวไม่ติดแล้วทำยังไงก็ไม่หายทำไงความคิดก็ไม่หายเจริญสติเคลื่อนไหวเล็กน้อยมันก็เอาชนะสิ่งนั้นไม่ได้ ถูกความคิดมันท่วมทับจิตตกอยู่ใต้ล่างนะก็บริจะทำไงทาร่าแทบอกกาลังใจโอ้ไม่เป็นไรนั่นแหละคือสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วการที่เรารู้ว่าจิตมันคิดมากมายงั้นมันโชคดีแล้วมันโชคดีที่เห็นความคิดแล้วเห็นความคิดเนี่ยโอ้มันถ้าวางใจดีๆนะมันขาดเลยนะถ้าวางใจไม่ดีนี่มันต่อกันเลย อืโอคิดมันไหลเทมามันโชคดีแล้วที่เราเห็นความคิดการจริโตติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นจิตมันคิดใช่ไหมลนะ่ะแล้วเราไปปฏิเสธทําไมไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันมีความคิดไหลเทท่วมทับจิตใจแบบนั้นวางใจไว้ไม่ถูกไปปฏิเสธความคิดเราเห็นความคิดเราโชคดีแต่โชคร้ายที่เราไปขับไล่ความคิดโชคร้ายมากที่เราไปปฏิเสธมันพยายามไปห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นทำไงให้มันว่างเหมือนเดิม นั่นแหละคือความคิดที่มันซ่อนความคิดไอ้ความไม่ชอบความไม่อยากนั่นแหละแล้วมันจะหายไหมความคิดแบบนั้นน่ะมันก็จะปรุงแต่งไอ้ความคิดที่ไหลเทมามันจบไปแล้ววางใจไว้ผิดวางใจไว้ว่าจะขจัดความคิดไม่ชอบความคิดไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่แม้ว่าการจริรสติที่จะมีความคิดปรุงแต่งมากมายไม่เป็นไรนะปล่อยให้มันคิดเรื่องของเขา แต่เรื่องเราคือมารู้สึกตัวใช่ไม่มเนี่ยคือหน้าที่อุป็นแบบคือกลับมารู้สึกตัวทําแค่หนึ่งเดียวอย่าทำสองคือห้ามความคิดอันหนึ่งแล้วก็มารู้สึกตัวอันหนึ่งเราทำสองอันมันเหนื่อยมารู้สึกตัวอันเดียวทิ้งความคิดไปอีกเส้นหนึ่งเลยไมื่ยังกลับเราขับรถเห็นไม่มขับรถอยู่วนถนนเนี่ยที่มีสองเลนเนี่ยเลนหนึ่งมีรถวิ่งสวนมาเราก็วิ่งสวนไปอีกเลนของเราเนี่ยต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่เอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไปขัดแย้งกันต่างฝ่ายต่างเดินมันก็คนละเลนคิดก็คิดแต่เราก็เป็นผู้ที่รู้สึกในนาข้าเนี่ยเราสามารถสังเกตความคิดที่มันผ่านมาเหมือนรถที่มันวิ่งสวนเราอีกเลนหนึ่งใช่จำไต้องวางใจให้ฉลาดฉลาดคืออย่าไปไประเจินหน้ามันก็ทับรู้อยู่ห่างรู้อยู่ห่างรู้เฉยเฉยเนี่ยด้วยใจที่เป็นปกติไม่ต้องยินดียินาย มันก็ปลอดภัยขงลงด้านของความคิดจะไปคิดออกจากความคิดนะไม่ได้หรอกเรามีตัวปฏิบัติเนเอ้ากลับมาจับหลักอยู่ที่การเคลื่อนไหวนจิตที่มาเจตนารู่กับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับความคิดนะพวาคิดมันก็ปรุงแต่งแบบเกอ้อเขินไปแด้วมันก็ดับไปเองรู้ตรงนี้ก่อนเบสิกแล้วต่อไปพอรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนานๆแล้วจิตมันจะมีพลังมันจะเข้มแข็ง มันจะมีพลังสามารถที่จะเห็นความคิดได้แล้วก็เห็นกายที่เคลื่อนไหวได้ด้วยสติรู้อยู่เฉยๆเห็นจิตที่มันคิดเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวแบ่งขันเป็นกองกองขอ ง, ของกายกองของจิตและกองของผู้รู้โอ้มันจะแตกฉานก็ปิดถ้าวางใจถูกต้องจะเป็นอย่างนี้จิตที่ปกติด้วยการวางใจประกอบด้วยสตินั้น มันจะเห็นกิเลส ท, ที่มาปรุงแต่งนี้ชัดเจนเห็นกิเลสเข้ามาชัดเจนเห็นกเกลทืที่เข้ามาปรุงแต่งในจิตเราชัดเจนมันเหมือนอย่างกับน้ำที่มันนิ่งและก็ใสเราสามารถเห็นอะไรอยู่ในน้ำได้ชั้นใจก็ดีจิตที่เป็นปกติและประกอบด้วยสติเนี่ยมันต้งเห็นกิเลสแบบนั้นนะและ้วจิตจะเป็นอิสระจิตสามารถสงบกิเลสได้ จิตสงบกิเลสสงบจากกิเลสไม่ใช่กิเลสสงบมันต่างกันนะกิเลสมันไม่สงบหรอกมันก็ทําหน้าที่ของมันถ้ากิเลสสงบนี้ไม่ใช่กิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแต่สงบจากกิเลสเนี่ยคือจิตสงบจากการปรุงแต่งของกิเลสอันนี้มันเหนือชั้นกว่าถ้ากิเลสสงบนี่มันไม่ใช่กิเลสเนี่ยจิตที่ปกติประกอบด้วยสติเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้นะ แต่มันไม่ใช่ยากนะยากเพราะเราคิดว่ามันคงทำไม่ได้ลองจะเราสติไปเรื่อยๆจะเรสติไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะจิตมันตื่นแล้วก็มันจะเห็นทุกอย่างที่มันกบดานอยู่ในจิตใจเราเพราะจิตตื่นแล้วก็นาปัญญาออกมาเห็นมันจะเห็นแจ้งเห็นความไม่เที่ยงกับสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตเห็นความที่ไม่ใช่ตัวตนของจิตผู้รู้เออมันอยู่ในวงเวียนของตาลักษณ์ทั้งนั้นอย่าท้อแท้นะ การเจติก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี้แหละจิตจะเป็นอิสระเหนืออารมณ์ต่างๆอิสระคือจิตที่เป็นป ก, กติไม่ยินดีร้ายแต่ไม่ใช่ว่าห้ามความยินดียินร้ายจิตที่ป ก, กติประกอบรูสตินั้นเนี่ยเมื่อมีอารมณ์ชอบใจพอใจมากระทบเพราะว่าที่เป็นป ก, กติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปด้วยมันก็ไม่พอใจไปด้วย แต่รู้อยู่ใหถ้าอารมณ์ที่ไม่พอใจมากระทบจิตที่เป็นปกติประกอบด้วยสติเนี่ยมันก็ไม่ไม่ชอบใจไปด้วยรู้อยู่เห็นอยู่มันจะเปอิสระเฉพาะตัวมันแต่ถ้ามันหลุดไปมันก็จะมีสติตามรู้มันก็หายจางคลายไปมันเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่มันคงที่ถาวรนะเมื่อมันดูแล้วมันก็จบไป มันดูแลมันก็จบไปมันก็เกิดเพราะที่จิตผู้รู้ขึ้นใหม่เรื่อยๆเยก็ตรงกับที่หลักสติปัฏฐานว่าให้มีความเปลียนมีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเส้นได้ก็คือไม่ใช่ห้ามแต่ไม่ไปกับเขามันก็เกิดเพราะที่เป็นปกติปกตินี้ไม่ใช่นิ่งไม่เลื่อนไหลเลื่อนไหลไหลไปก็เกิดอันใหม่ไหลไปก็เกิดอันใหม่ มันซ้อนกันอยู่เรื่อยๆ ๆ, ๆจนกว่ามันจะหมดเหตุหมดปัจจัยไม่ยากนะไม่ยากการปฏิบัติเนี่ยให้เราจะไปเป็นเลื่อยจากเล็กน้อยๆเนี่ยอย่าไปมองคนอื่นว่าทําไมเราทําไม่เหมือนเขาทําไมเรามันเต่าล้านปีแล้วเกินเต่าน่นนะมันคลานแบบมั่นคงดีกว่ากระตายที่ประมาทวิ่งไปแล้วก็ไปนอนค่อยๆไปพลิกมือรู้สึกโอ้ได้แล้วหนึ่งคะแนนน ย, ยกมือรู้สึกโอ้ได้แล้วหนึ่งคะแนนเห็นปะ มันปวดรู้ปวดรู้สึกได้หนึ่งคะแนนมันปวดทนไม่ได้ขยับรู้สึกได้คะแนนมีแต่เก็บเกี่ยวคะแนนเวลามันคิดนี่มันคิดรู้ทันได้หนึ่งคะแนนมีแต่การเก็บคะแนนการปฏิบัติธรรมมีการเก็บคะแนนเก็บคะแนนไม่มีการเสียคะแนนแต่เราเอกเอ๊ะทำไมทําไมเราจึงคิดทําไมมันจะเสียคะแนนอ <c oughs> ใจเย็นนะการปฏิบัติจะไม่มีการถอยหลังมีแต่การเดินหน้าเรื่อยๆ การวางใจให้ถูกต้องนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมนะการวางใจให้ถูกต้องเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทําในรูปแบบของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่หลวงพ่อเทียนบอกว่าการเจริญสติที่ยกมือเคลืนไหวนี่เป็นวิธีการเป็นวิธีการแต่ตัวปฏิบัติเป็นการวางใจถูกต้องกับสภาวะธรรมสฟื่องต่งหาเป็นตัวปัญญาก็มีตัวอย่างคนที่วางใจไม่ถูกต้อง เนี่ยผมเคยไปไปอยู่วัดป่าสุขระโตมาเมื่อสมัยที่อไปที่วัดป่าเมื่อหลายปีมาแล้ว mm hmm. ก็ไปเห็นนักปฏิบัติเนี่ยมากมายที่นมีปฏิบัติไปมีหลายกลุ่มไปปฏิบัติกันก็มีบางคนเนี่ยเขามีปัญหาที่บ้านมีปัญหาจากที่บ้านอยู่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้จําเป็นต้องไปอยู่ที่วัดเป็นสภาพสติ อยู่ที่วัดเพื่อจะไปดับทุกข์ที่วัดมีทุกข์ที่บ้านก็จะไปดับทุกข์ที่วัดเป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นคนตั้งใจปฏิบัติคิดว่าไปวัดเนี่ยมันจะดับทุกข์ได้อยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้ต้องไปที่วัดแล้วขยันมากเลยคนนี้ขยันเดินจงกรมชอบการเดินจงกรมแล้วก็ไปเลือกเดินจงกรมเทวาปาสุก โ, โตจะมีศาลาหน้าศาลาหน้านี่คือศาลาที่อยู่ใกล้ประตูทางเข้า สระหน้าไป็นสระใหญ่ช่ดใกล้ประตูทางเข้าและใต้ถุนสระเนี่ยมันเปียอากาศดีมันโปร่งมันโล่งเขาก็มักจะไปเดินจงกรมที่นั่นเธอก็เดินจงกรมอยู่นั่นน่ะเดินตั้งใจมากเลยก็มียศธรรมคนหนึ่งก็เข้ามาก็ เ, าเห็นว่าผู้หญิงเดินจงกรมอยู่คนเดียวหน้าตาดีด้วยนะก็เข้าไปถามเ <c oughs> อ่ถามแล้วก็ได้คําตอบก็กลับไปเดี๋ยวมีคนใหม่มาถามอีก ก็มันแปลกอ่ะผู้หญิงมันเดินจูงกลมอยู่คนเดียวนะใครมาก็สงสัยใช่ไหมเขาก็ถามแกงหุดหงิดมากเลยไม่อยากให้ใครมาถามอยากจะวิเวกอย่าอยู่คนเดียวอย่าปฏิบัติอยากจะเจริญสติไม่อยากให้ใครมาถามมีให้พวกเราเวลาไปแบบั ต, ติไม่อยากให้ใครมาถามก็บอกว่าเอา้าก็คุณไปเดินอยู่หน้าบานอย่างนั้นอนะ่ะใครเห็นก็ต้องถามเขาถามไม่ถามเปล่าเขาถามเรื่องส่วนตัวด้วย มีปัญหาอะไรหรืออกหักรักหายหรือเปล่าทําไมมาปฏิบัติผู้หญิตัวเล็กตัวคนเดียวเขาถามเรื่องชีวิตส่วนตัวอาเราไม่ต้องตอบเขก็ได้เราไม่ต้องตอบก็ได้เราก็บอกเรามาปฏิบททัติธรรมมาเจริญสติเนี่ยมาดับทุกข์เราไม่ต้องพูดมากแล้วถ้าเราไม่ย้ายไปที่อื่นนะเราก็พูดน้อ ย, อยพูดเท่าที่จําเป็นแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเขาไม่ตือ้อหรเอ๊ะเขาถามเราไม่ตอบได้ยังไงมาเถียงเลรเขาถามเราเราไม่ตอบได้ยังไง เราไม่จะไปต้องตอบทุกคำถามก็ได้เขาก็สงสัยพวเลยว่บถ้าเ้าถาม่าคุณนุ่งกางเกงในเสียอะไรคุณจะบอกเขาไหมเพราะเออใช่เนาะบางคำถามไม่ต้องตอบก็ได้เพราะมันไร้สาระใช่ไหมลนะ่ะเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติแบบเครียดในธรรม <laughs> ไม่ใช่เคร่งนะเครียดในธรรมคือพื้นฐานของเธอเป็นคนที่ ติดดีอ่ะชอบเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลก็จึงอยู่บ้านไม่ได้ไงทุกนะคนที่ยึดติดในเหตุในผลในถูกในผิดเนี่ยอยู่บ้านได้ไม่นานหรอกอยู่ก็ทะเาะกันเรื่อยเราเป็นคนถูกเขาเป็นคนผิดแล้วคนผิดเนี่ยมันจะไม่ชอบคนถูกคนถูกก็เป็นทุกข์ไปบางอย่างในเหตุผลเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกถูกผิดก็ใช้ไม่ได้ ต้องรู้จังหวะด้วยตรงไหนควรจะใช้แบบปรมัตธรรมอ๋อไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่เขาบ้างซื้อของไม่เขากินเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ไม่กินไม่ได้อันนี้มีประโยชน์ซื้อของดีๆให้กินแล้วยังไม่กินอีกโอ้เนี่ยคนดีนะเป็นทุกข์แล้วว่าไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเอาเหตุเอาผลไม่ได้เอาตัวก็ผิดไม่ได้ต้องเข้าใจเอาบ้างคําพูดบางคําเนี่ยเขาสื่อกับเราเนี่ยไอ้เช่เราสื่อกับเขาแล้วเขาสื่อกับเราเนี่ย ถ้าเราเข้าใจได้ก็เข้าใจไปเถอะเดีย๋ยวบอกว่าเธอใช้คําพูดที่ผิดแล้วบ้องคํานี้ผูน้นี้จะเครียดมากนะ <c oughs> จะเป็นทุกข์มากบางอย่างเอาถูกก็ผิดไม่ได้ผูเนี้เครียดในธรรมก็ยังมีพวกนึงอีกคนนึงเนี่ยโอ้อยู่ในวัดเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากวัดปลาสุโกโตเหมือนกันได้เจอหลายรูปแบบเพื่อมาเป็นตัวอย่างนี่คือการวางใจไว้ผิดคนแรกคือที่ว่าเครียดในธรรมเพราะวางใจไว้ผิด กลัวจะหลงมีสติไม่หลงไม่เอาความคิดระวังที่สุดเลยแต่ขาสติไปต่อต้านความรู้สึกต่อต้านความคิดเห็นมมีสติกลัวหลงไปในความคิดแต่ขาสติไปต่อต้านอารมณ์ไปต่อต้านความคิดมันก็ตกตกข้างหนึ่งก็ยังไม่ถูกต้องวางใจไม่ถูกต้องยอ้คนที่สอนนี่ก็เหมือนกันนะผูน้นี้โอ้โหฟุ้งในธรรมไม่เจริญในธรรม ปฏิบัติไปไปไปก็เที่ยวสอนเที่ยวเทศโปอดไปทั่วนีกลุ่มไหนไปไปเข้าไปเทศสอนแต่พูเือไม่รู้หลักเด็กมาก็สอนเด็กคนบ้ามาอย่างสอนเลยสุขโตมีคนบ้าก็สอนคนบ้านจริติคนบ้านมันก็กฟังไงดิพอฟังเสร็จมันก็ขอตังค์ซื้อบุหรี่พวเนี้ยโปรดไปทั่วเรียกฟุ้งในธรรม ก็วางใจไว้ไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มนิดน่าสนใจมากโอรับฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเอาจิงจริงเนี่ยเป็นกลุ่มปฏิบัติมาจากที่อื่นเข้ามาหลายคนฟังพ้อมเขียนเทศเรื่องการเจือนสติพ่อจะเทศสอนว่าให้ขยันรู้สึกตัวนะเนี่ยกับการเคลื่อนไหวรู้รู้เพื่ออะไรให้เห็นรูปเห็นนามรู้สึกตัวให้เห็นรูปเห็นนาม ปัญญาขัา้นแรต้องเห็นรูปเห็นนามนสติที่รู้เฉยๆจะเห็นรูปเห็นนามเขาก็คนที่ปฏิบัตินี่ก็ไม่รู้รูปนามเป็นยังไงนะหลวงพ่อบอกให้เห็นก็ต้องให้เห็นนะ่ะเชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วก็สงสัยที้รูปนามเป็นยังไงก็กลับมาถามอะผมก็คุยต่อคุยต่อจากหลวงพ่อถามบอกก็เลยยกตัวอยา่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเจริติแบบเคลื่อนไหวยกมือนั่งยกมือสร้างจังหวะ ยกมือไปยกลงมาเนี่ยแมงป่องมันออกใส่ขาตกใส่ขาปั๊บปกติหลวงพ่อเทียนเนี่ยเวลาแมงป่องตกใส่ขาท่านจะปัดวันนั้นท่านไม่ปัดท่านดูพ่าเห็นว่าโอแมงป่องมันก็มีรูปมีนามไอ้เหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเนี่ยท่านเห็นรูปเป็น ah. นามขณะที่แมงป่องตกใส่ขาตัวท่านก็คือลูกคือนามแมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามเราจะไม่เบียดเบียนกันจับแมงป่องไปปล่อยก็เล่าให้ฟังเพื่อว่าให้เป็นตัวอย่างว่าอ๋อ เราสามารถเห็นรูเปเห็นน้ำได้นะตอนนั่งเจริญสติแล้วก็วางใจให้ถูกต้องให้รู้เฉยเฉยแบบถูกต้องพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยไปดูโอ้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เป็นแถวเลยนะนักปฏิบัตินะดังเอะนั่งยกมือรอเมื่อไหร่มดแดงจะหล่นลงมาแ่งป่องไม่ได้ใจไม่ถึงมดแดงดี่วะยกมือเพื่อให้มดแดงมันตกลงมาใส่ตัวจะได้เห็นรูเปเห็นน้ำโอ้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทำํำตามอย่างเปี้ยเลย ดีนะงูเห่าไม่ตกลงมาในนิพานเลยนะหลวกแมาเทียนนี่รู้เป็นนามเพราะว่าท่านรู้สึกตัวรู้ซื่อจิตที่รู้ซื่อเนี่ยจิตมันตื่นแบบไม่มีการปรุงแต่งเมื่อจิตตื่นแล้วไม่มีการปรุงแต่งมันก็เห็นการปรุงแต่งของความคิดเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวคือรูปธรรมเห็นจิตผู้รู้คือนามธรรมามันต้องเห็นด้วยความรู้สึก ไม่ใช่เห็นตามอย่างที่อาจารย์ทำวางใจไว้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจให้ถูกต้องจากยากก็กลายเป็นง่ายจากมากก็กลายเป็นน้อยจากทุกเป็นไม่ทุกเลยวางใจยังไงวางใจให้เริ่มต้นการรู้สึกด้วยจิตที่เป็นปกติเริ่มต้นนำล่องจิตด้วยความเป็นปกติ แล้วก็ในถ้ำกลางคั่วเวลามีสภาวธรรมมากระทบให้รู้แบบจิตที่เป็นปกติสิ่งที่มากระทบมันจะไม่ปกติหรอกใช่ไหมแต่จิตผู้รู้เนี่ยปกติรู้เฉยๆเพราะสุดท้ายเนี่ยจิตที่ปกตินั้นคือที่ศูนย์การปฏิบัติเลยนะคือเพื่อให้จิตปกติทั้งนั้นลงทายที้จิตที่เป็นปกติที่ศูนย์การปฏิบัติถือจิตที่เป็นปกติจะมันจิตจืก็ได้จิตจะเป็นอิสระเลยมันจะเห็นกายเห็นจิตไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนได้ชัดเจนมากด้วยจิต ท, ที่เป็นปกติจิต ท, ที่เป็นปกตินั้นเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ทำงานนะจะทำงานได้ดีที่สุดเลยจะว่าในภาษาสมัยใหม่ว่าจิตเป็นกลางก็ได้จิต ท, ที่เป็นปกติปราศจากความยินดียินร้ายแต่ไม่ห้ามความยินดียินร้ายแต่ถ้าหากว่าความยินดีร้ายเกิดขึ้นจิต ท, ที่เป็นปกติจะรู้ทันว่าอันนั้นคือสิ่งแปลกปล อ, อมเข้ามาในจิตใจเรา ไอ้ความพอใจไม่พอใจนี่แหละมันสร้างปัญหากับจิตใจเราใช่ไหมเมื่อพอใจก็หลงรักหมดเนื้อหมดตัวไปเลยเมื่อเกิดความไม่พอใจก็หลงเกลียดสุดขั้วไปเลยจิตมันขาดความเป็นปกติจิตตรงนี้เอามาทำงานเนี่ยไม่ดีไม่ดีเท่ากับจิตที่เป็นปกติเอาไปทำงานเช่นการขับรถเป็นต้นถ้าขับรถด้วยจิตที่ดีใจนั่นก็ประมาทมีโอกาสประสบอบัติเหตุได้ ถ้าขับรถด้วยจิตที่เสีย ใ, ใจก็อันตรายขับรถด้วยจิตที่เป็นปกตินี่แหละเห็นไมมันจะสอดส่องดูแลพั่วแดน ง, งานการขับรถเพราะฉะนั้นจิตปกติเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดเลยการทำงานกับเพื่อนเราก็ตามถ้าทำงานกับเพื่อนเราด้วยจิตที่เป็นปกติไม่มีปัญหา <c oughs> แต่คนที่มีปัญหานั้นคือคนที่ไม่ปกติต่างหากใช่ไหมบางคนโอ้ทางานไปก็ มีแต่สิ่งไร้สาระพูดจาอะไรไร้สาระเนี่ยเห็นไหมคือจิตที่ผิดปกติของเขาแล้วพูดแต่เรื่องตลกขนองไร้สาระนี่ผิดปกติไปด้านหนึ่งสุดโตอีกคนหนึ่งอาจจะดูเข่งขึมหน่อยแต่ทํางานด้วยจิตที่เครียดผิดปกติ อ, อะไรก็หงุดหงิดไม่พอใจเนี่ยเธวระล้านก็ไปทั่วนั่นแหละคือความผิดปกติของจิตเขา มีไหมแต่และ ว, วันเนี่ยเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยไม่ต้องคนในบ้านเราก็ตามมันย่อมมีเพราะนั้นเราต้องรักษาภาวะที่เป็นปกติของจิตใจเราด้วยสติอย่าปล่อยให้ความผิดปกติของคนอื่นมาทํำลายความเป็นปกติของใจเราด้วยสายสติมั่นคงรู้ทันว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นกับเราพอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้เราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์และมันทางานอยู่ท่ามกลางความไม่ปกติของคนเนี่ย ยังมีความสุขลิ้นงูลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่โดนเขี้ยวของงูเนีอย่าไปเอาลาคนในโลกเนี้ยคนในโลกเนี้ยมีอยู่สามประเภทที่มองตัวเราประเภทแรกคือชอบเรามีนะบางประเภทไม่ชอบเราก็มีบางกลุ่มเฉยเฉยก็มีที่เขาพอใจเราชอบเราก็ก็พูดดีก็ถูงเขานะ ไอ้บางคนที่ไม่ชอบใจเรานี่ก็นินทาว่าร้ายมันก็ถูกของเขาบางคนเฉยๆเฉยกับเราก็ถูกเขาอีกเราก็ต้องไม่ต้องห้ามไม่ต้องค้านรักษ า, จาใจเลยเป็นปกติเข้าไว้ไม่เกี่ยวกับใจเราอย่าฝากชีวิตของเราไว้กับสายตาคนอื่นอย่าฝากชีวิตของเราให้กับปากของคนอื่นเราต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นคนมองเราสามประเภทเนี่ยทำใจได้เลยเป็นเรื่องธรรมดามากไม่แปลก อย่างวันนี้ผมพูดในวันนี้พูดวยใจิตใจที่เป็นปกติไม่หวังอะไรไม่ต้องการอะไรมันเป็นหน้าที่พูดของผมคนฟังก็เช่นเดียวกันฟังผมดนจิตสามประเภทบางคนชอบใจบางคนไม่ชอบไม่มีตัวปฏิบัติเมตนมิพพานเลยบางคนเฉยๆก็มีนะมันถูกของผู้ฟังทางนั้นนะมันไม่เกี่ยวกับผมผมก็ทำหน้าที่พูดไปการพูดธรรมะมันเป็นหน้าที่ของผม แต่ไม่ใช่เรื่องผมที่จะไปคาดหวังอะไรมันจึงไม่มีทุกตรงเนี้ยในการพูดไม่คาดหวังอะไรใครว่าดีก็ถูกองเขาไม่ดีก็ถูกลงเขาเฉยๆก็ถูกลงเขาเราก็รักษาใจที่เป็นปกติได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกพูดด้วยจิตที่เป็นปกติมันก็เบิกบานในตัวเพราะนั้นเราอยู่ในโลกเนี้ยในโลกความเปลี่ยนแปลงเราต้องมีสติต้องเข้าใจว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราวางจิตวางใจไว้กับปัญหาวันนั้นอย่างไรเราวางใจไว้อย่างไรกับปัญหานะมันหนีไม่ได้เราปัญหามันต้องมีแต่จะวางใจกับปัญหานั้นอย่างไรบ้างถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรามองปัญหาในแง่ร้ายในแง่ ล, แล้ายใจเราก็เป็นทุกข์มันก็ท้อแท้หมดกาลังใจที่จะแก้ปัญหาแต่ถ้ามองปัญหาในแง่ดีซะบ้าง แล้วก็มีกําลังใจย่าลืมว่าปัญหาจะถูกแก้ไขยอย่างง่ายดายถ้ารู้จักฝึกมองปัญหาในแง่ดีมันจะเกิดกําลังใจที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับปัญหามองปัญหาในแง่ร้ายมันก็จะมีแต่ความทุกข์มองปัญหาในแง่ดีมันก็มีความสุขแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ถูกต้องเพราะมันยังยินดียินร้ายใช่ไหมมันต้องมองแบบคนเหนือสุขเหนือทุกข์คือมองปัญหาในแง่ความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นปกติ ก็คืออาศัยสติปัญญารู้ว่าอ๋อสิ่งท่หลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไม่พ้นกดไตายรักไปแล้วไม่พ้นกดไตายักษมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็บังคับบัญชาไม่ได้ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาตามประสบการณ์ของพวกเราใจก็จะเป็นอิสระจากปัญหาอันเนี้เราต้องรู้จักมองปัญหาในแง่ของคนมีธรรมะคือมองด้วยใจเป็นกลาง เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อรักษาสุขภาพจิตให้เบิกบานเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมะที่จะมาพูดกันว่าการมองโลกอย่างไม่มีความทุกข์ในการมองแบบคนมีธรรมะอาสาธรรมะเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตใครมีอะไระถามไหม <mm> อย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้หรือนะหลวงพ่อปรโมโอเคยบอกว่าอะไรใครที่ฟังซีดีของหลวงพ่อ ตื่นจนนับไม่ทั่วแล้วผมก็ขอคุยหน่อยนะใครที่มาฟังผมพูดนี่ลราออกจากความพิการมาหลายคนแล้วค่ะในขณะที่เราจเจริญสติอยู่อะค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนะคะเออมันก็มีสมาธิบ้างไม่มีสมาธิบ้างจิตมันก็ยังคิดวกแวกไปข้างนอกอยู่อะค่ะแต่ว่าเราก็รู้รู้ตัวว่า จิตมันยังไม่เป็นสมาธิค่ะให้เราทำยังไงคะหือว่าก็คือให้ให้รู้ไปก่อนรู้เฉยๆไปก่อนก็รู้เฉยๆไปก่อนนะเพราะว่าจิตใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่มีกําลังพอเพิ่งเริ่มฝึกให้มันรู้สึกตัวรู้ว่ามันคิดมันปรุงแต่งมันวกแวกเนี่ยรู้ไว้ก่อนแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องรู้แบบมีหลักเรามีรูปแบบไหมหมูใช้คําปริจจ ա ว่าพุทโธ อ, อแล้วก็สรางรูปแบบเป็นหลักเกาะของจิตไปก่อนนะ พอรู้ว่ามันคิดปรุงแต่งแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วก็อาศัยมารู้สึกกับพุโทโธของเราให้มีหลักให้จิตมังกรเอาไว้น่าเป็นฐานเอาไว้แล้วมันคิดอีกแล้วก็รู้อีกแล้วก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธทําตรงนี้จนจิตมันเกิดพลังต่อไปมันไม่กลับมาแล้วมันรู้แล้วมันก็จบไปตรงที่รู้นั้นการมีหลักในการปฏิบัติคือมีฐานไว้เนี่ยมันช่วยพยุงให้เราได้แข็งแรงยิ่งขึ้นเนี่ยต่อไปเราก็ไม่ต้องมีเครื่องพยุงแล้วปล่อยได้เลย ฐานเอาไว้เกาะเล่นๆคราบสวัสดีอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบวิธีการจเจริญสติในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะกับสังคมเมืองอย่างพวกเราอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานว่าในในจังหวะที่เราทํางานเนี่ยเวลาที่เราทํางานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็พอจะมีสมาธิอยู่กับงานพอเวลาจิตที่เผลอไปคิดเนี่ยเราก็พอจะสังเกตว่าจิตเขาวกแวกไปแต่จังหวะที่เราลุกเดินออกจากโต๊ะค่ะคือหนูไม่เคยทํากายานุสติปฐาน จึงไม่มีจึงไม่มีความรู้ว่าเอ๊ะเขดูกายกันยังไงแต่ว่าพยายามเดินจงกลมอยู่ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าพอเราเดินไปเราก็เดินแบบปกติอะค่ะแต่เผลอไปคิดเราก็จะรู้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาแอพพลายคือมาประยุกต์กับในชีวิตประจําวันที่ทํางานแล้วค่ะสติมันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ค่ะอยากจะสอบถามอาจารย์ให้ช่วยแนะนํานิดนึงอะค่ะในการที่ทํางานไปแล้วก็ตั้งใจทํางานตั้งใจทํางานด้วยสตินี่คือสติปทานเหมือนกัน ตั้งใจคือเจตนาตั้งใจทําก็เป็นสตินีแต่ว่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยมันจะมีได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็หลุดไปกับอารมณ์ต่างๆมันหลุดไปแล้วก็ลับมาตั้งใจทํางานใหม่นี่การทํางานเนี่ยมันมีรูปแบบหลายๆอย่างอาจจะมีการขยับขยีขย้นการเดินสิ่งที่ขยับเ ข, ขยี้นรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทําเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเหมือนกันเราอย่าคาดหวังว่าจะต้องรู้ให้มากกว่านี้ร้อซที่เราทำเนี่ยถูกแล้วล่ะเรารู้ไปเรื่อยอย่างงี้ล่ะ ค่อยๆเก็บเกี่ยวไปต่อไปมันจะเกิดความชํานาญที่จะรู้มากขึ้นเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเราไปกับอารมณ์มากนั่นเป็นความเคยชินเก่าๆแต่เรามาเริ่มรู้กับการเคลื่อนไหวบ้างเจตนารู้การเคลื่อนไหวบ้างเจตนาเคลื่อนไหวบ้างเจตนาทําขึ้นมาบ้างเรื่องของกายนะเนี่ยแล้วก็ค่อยรู้ไปอย่างเงี้ยไอ้คำ ว, ว่าเจตนาช่วยเนี่ยมันเป็นความเพียรอาจจะไม่สติเต็มร้อยแต่มันช่วยทําให้สติตัวที่มันเคยชินที่จะรู้ใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ ค่อยๆเป็ียนค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะเคยชินที่จะรู้สึกรู้สึกมากกว่าเก่ามันจะตัดความเคยชินเก่าๆมีความเคยชินใหม่ๆที่จะรู้นั้นค่อยๆทาไปอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกที่เรารู้ได้ว่าจิตมันหลงไปอย่างนั้นมันก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วแล้วต่อไปเมื่อสติมันมากขึ้นมันจะเห็นกายด้วยเห็นกายเนเวทนายธรรมะมาเรียงคิวไหมให้เรารู้เลยหลวงพ่อเขียนแบบมันเข้าแถวไหมให้เรารู้เลย งั้นหมูขอถามต่ออีกเล็กน้อยค่ะคือพอสังเกตเวลาที่เราจเจริญสติอะค่ะสังเกตว่าเราเผลอไปคิดแล้วเราก็มักจะไปอยู่ในความคิดคือจะจะเห็นอยู่บ่อยครั้งว่าเราหลงไปคิดอยู่บ่อยๆตลอดเวลาแม้กระทั่งยามที่เราหลับเราก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยเผลอไปคิดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะไม่ไปจมอยู่กับความคิดอย่างนานมากหรือว่า มันเป็นธรรมชาติของจิตเขาอยู่แล้วเมื่อวันหนึ่งจิตเขาตื่นขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นหรือเปล่าอะคะ่ะเข้าใจถ้าหากว่าจิตมันหลงบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีฐาน <c oughs> มีฐานให้เกาะบ้ากคือเรื่องของกายเนี่ยกายในยเป็นที่เกาะของจิตที่ดีมากเลยจิตที่ชอบหลงชอบเผลอเนี่ยกลับมารู้กายว่าเป็นฐานได้บ่อยๆเนี่ยพอมนหลงไปแล้วมันก็จะคืนกลับมาเองมันมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่มันเผลอไปก็กลับมาเข้าบ้านเดิมต้องมีฐานสักหน่อย แต่เวลาดูกายสังเกตจิตนะคะจะดูรู้ว่าเราไปหลงเพ่งอะค่ะไม่ได้ดูด้วยใจที่เป็นกลางอย่างที่อาจารย์สอนนะคะแล้วพอเราไปเพง่งแม้กระทั่งเพียงนี้เดียวก็รู้ว่าจิตเขาอึดอัดอะค่ะว่าเราเผลอไปเพ่งอย่างเงี้ยแล้วจะทํายังไงต่ออราจะไม่ชอบการเพ่ง <คน S 2> ใช่ไห <answer? S 1> มล่ะมันเพง่งเราก็มีสติรู้ทันอ๋อจิตมันหนักไปแล้วก็รู้ทนันมันก็มันก็จบที่รู้เทา่าทันมันมันช่วยไม่ได้นะเรื่องของการทํางานเนี่ยผมอยาก็บอกว่าเรากลัวแต่จะเพ่งกลัวจะเพ่ง เวลาเราทำงานเราไม่เพ่งทำงานสำเร็จไหมงานทางโลกนี่มันต้องให้มากให้ดีให้ไวนิสยัยการทำงานนะเวลาปฏิบัติทำจิตมันก็นิสยัยการทางานมาทำกับการทำกรรมฐานมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้ว่าอ่อนี่มันลึกไปอ่านี่มันเพ่งไปอันนี่เข้าไปอยู่แล้วไอ้การที่รู้ทันนั่นแหละนั่นคือตัวปัญญารู้ผิดนี่แหละมันจะเห็นถูกนะ ดีแล้วไอ้ที่รู้มันทําผิดเนี่ยให้รู้ทันมันใช้ได้แล้วเราโชคดีแล้วแต่โชคร้ายที่ไม่อยากให้มันเพ่งเนี่ยเราเราไม่ชอบแบบนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับและขยอให้มันเป็นไปแต่เราก็รู้เท่าทันมันการรู้เท่าทันเนี่ยมันเดินออกจากปัญหาเลยแต่เราพยายามไปควานไปแก้ไขนั่นแหละเราไปวุ่นวายกับปัญหาเราก็เปียกเราก็เหนื่อยแล้ยอมรับอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองมันธรรมดา ก็เราทํางานมาเราเพ่งปฏิบัติมันก็เราเพ่งบ้างไงเป็นไรหรอกรู้ทันมันยอมรับมันจิตมันก็จะวางไปเองไอ้ที่ไม่ยอมวางเนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับถ้ายอมรับเมื่อไหร่มันก็ยอมวางนะเส่นผมมางภูเขานิดเดียวเท่านั้นยอมรับอ๋อมันอย่างนั้นเอง <c oughs> อ๋อเป็นอย่างนั้นเองก็จบเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเปลี่ยนวิธีการที่ไม่เพ่งเนี่ยมันยากเพราะเราเคยจิงกับการเพ่งมานาน แต่รู้ว่ามันเพ่งเนี่ยคือรู้ว่ามันผิดเนี่ยมันก็ถูกแล้วจิตรู้ว่าผิดเนี่ยมันมันจะว่าถูกก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีจิตถูกก็ถูกต้องของการปฏิบัติธรรมนะจะถามต่อได้ไหมคะแม่ครั้งที่สามแม้ครั้งที่สามาเลยจะถามอีกอันหนึ่งค่ะเวลาเราสังเกตจิตค่ะจะสังเกตว่าจิตเขาอะค่ะเศร้าหมองเอจิตเขาเศร้าหมองตลอดเวลาคือนานๆจิตเขาจะเบิกบานสักพีหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันเราอะค่ะ รู้สึกว่าจิตเขาเศร้าหมองจิตมันไม่เบิกบานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรู้ที่ถูกต้องใช่ไหมคะก็ถูกแล้วมันเป็นเรื่องของจิตจิตดีใจจิตเสียใจจิตฝันสรุปลงที่มันคืออาการของจิตก็จบที่อาการของจิตเป็นลักษณะอาการของจิตธรรมชาติของจิตจิตมันสั่งสมอะไรไว้มันก็เศร้าหมองก็เรื่องของจิตมันไม่ใช่เรื่องของเราหรือเอาจิตเป็นเรา ถ้าจิตเป็นเราต้องแก้ไขจิตนะต้องแก้ไขจิตตลอดชีวิตเลยถ้าจิตเป็นเราแล้วว่เอจิตมันก็คือสักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งไอ้ความปรุงแต่งจิตคืออาการของมันยกเป็นของมันไม่ใช่ของเรา <c oughs> ของเราไม่มีมีแต่ของมัน <c oughs> เราก็รู้เฉยๆตามธรรมดาเข้ามาให้เรารู้ก็ดีอยู่แล้วดีกว่าจิตไม่มีสภาวะเนนิ่งว่างเนี่ยโอ้บรรลุนิพพานโดยหลงเลยดีแล้วที่มันมีสภาวะให้เราเห็นอนะ เห็นสภาวะแล้วยาปฏิเสธยอมรับแล้วก็รู้เท่าทันมันก็เป็นปัญญาตอนนี้มีปัญหาแบบนี้นะต่อไปถ้าเราไม่ทิ้งการปฏิบัตินะปัญหาพวกนี้มันจะหายไปเลยเราจะยิ้มเลยโอนี่ไม่ใช่ปัญหาอันนี้มันปัญญาแต่เรามองตัวปัญหาถ้ามันคือปัญหามันก็ไม่เกิดปัญญาเนี่ยปัญหานี่แหละมันเป็นหินรับปัญญาเราอย่าไปปฏิเสธดีแล้วที่มีสภาวะหลายคนปฏิบัติไม่เห็นอะไรเลย อาจารย์คะในกรณีสำหรับพวกแบบคนไข้ที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกหรือว่าอัมพาตครึ่งท่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนไข้ทั่วไปอะค่ะที่แบบเขาไม่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ยังยอมรับตัวเองไม่ได้ว่าเออทาไมต้องเป็นตัวเขาที่ป่วยอย่างเงี้ยแล้วเราจะสามารถแนะนําเขาให้กําลังใจเขายังไงบ้างโดยที่หนูยังปฏิบัติไม่ได้เรื่องอะค่ะแต่ว่าแบบ อาจารย์จะแบบแนะนํำยังไงได้บ้างอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกของเข้ามาผ้าครึ่งท่อนใช่ไหมครึ่งซี่โอ้นี่ยผมเป็นทั้งท่อนเลยนะส่วนล่างนี่มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยมีขยับได้แค่เนี้ยเดี๋ยวนี้พอขยับบ่อยๆเข้ามันก็เกิดความชํานาญเอาตัวอย่างให้เขาดูว่าอ๋อนี่คนที่แยกกันเราก็มีนะคนไข้เนี่ยจีก็จะตกมากเขาจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเขาจะไม่เปิดใจไม่ยอมรับเขาอยู่ความทุกข์เพลินอยู่ความทุกข์ เราต้องให้กำลังใจเขาก่อนให้กำลังใจเขาการให้กำลังใจเขาเนี่ยอย่างน้อยช่วยเขาได้ได้พลิกจิตใจที่มันเศร้าหมองมาฟังเราบ้างให้กำลังใจแล้วก็เมื่อให้กำลังใจแล้วเนี่ยต้องเอาสิ่งที่ดีๆให้เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นอาภ า, าแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกคนที่เป็นหนักก็นี่เขาก็มีเห็นไหมเปรียบเทียบในความโชคร้ายของเข า, ามีคนโชคร้ายว่าเขาขก็มี เปรียบเทียบแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะมีความสุขได้ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เพราะความสุขเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกา ย, เ, ยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะอย่าโมาจะคิดหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ยสิ่งเก่าๆเดิมๆ เ, เปลี่ยนวิธีคิดใหม่คิดในแง่ดีหาทางออกหาทางออกอย่างน้อยก็ให้กำลังใจเขาแล้วเนี่ยบอกวิธีการออกจากปัญหาได้อาจจะยกตัวอย่างใครก็ได้ ถ้าเราธรรมะไปให้ฟังเอาหนังไปให้ดูให้เขาดึงจิตใจออกจากอารมณ์ที่เขาหมกมุ่นคุ้นคิดมารับอารมณ์ใหม่คนที่มีความทุกข์มันจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองไม่ยอมเปิดใจลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่สิเปลี่ยนคิดไปด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นทางออกของชีวิตเห็นแล้วเขาคือปัญหาให้กําลังใจเขาแล้วก็หาตาอ่อยเขาลองมาสนใจกับธรรมะบ้างสิคุณจะดูหนังฟังเพลงไม่เป็นไรหรอกทําปแแต่ ช่วงเวลาเองการสนใจธรรมะควรจะมีฟังบ้างคิดใคร่ครวนหรือลองปฏิบัติเอาลองเจริญสติดูนะอาลองถูนิ้วมือเล่นลองกระดิกนิ้วเล่นเคลื่อนไหวเบาๆรู้สึกตรงนี้นะเราต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเข้าไปหาเขาเขาก็จะได้ฟังแล้วก็ได้ลองทาตามดูถ้้กำลังใจก่อนนะแล้วต่อไปวันเวลาผ่านไปเนี่ยเาจะเริ่มยอมรับยอมรับ แล้วก็จะเริ่มมองชีวิตในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็จะสนใจที่จะแก้ปัญหาตัวเขาเองให้กําลังใจก็คือแบบก็พี่เขาก็เอาหนังสืออาจารย์น่ะไปให้คนไข้แต่คนไข้ก็หนูก็เล่าเรื่องอาจารย์ให้คนไข้ฟังนะคนไข้เขาก็อืมแต่แบบเขาก็แบบจะออกมาได้แบบนึงแล้วก็จะแบบกลับเออกลับไปว่ามันเป็นจริงเหรอที่เขาจะเป็นอย่างนี้อีกจะแบบเดินไม่ได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ย มันคือแบบมันจะวนอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วปวดเทาแบบเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อัมาพาตเงนี้ยปวดหลงังล้าวลงขาหรือปวดแขนก็บอกทําไมต้องเป็นเขาทําไมไม่เป็นคนอื่นทําไมเป็นเขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เก็จะหมกมุ่นกับตัวเองมากที่คนอื่นหนักกว่าเขาที่ซ้ําไปอหนูก็ชี้บอกว่าเนี่ย <c oughs> เป็นน้อยแล้วนะคนอื่นเป็นเยอะอคนนี้นี่ยังกินข้าวเองได้ยังไม่ต้องใส่สายอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบอกแต่แบบมันก็จะแบบดึงกลับดึงกลับว่าอืมเนี่อาจารย์แต่เขาก็ฟังนะ เขาเล่ฟังแต่เป็นได้ว่าอาจจะดื้ออาจจะตัวตนเยอะไปหน่อยเขาเล่ฟังอยู่มีโอกาสเขาก็จะได้คิดแล้วเวลาที่สอนเขาก็คือสอนเขาเบื้องต้นก็คือกระดูกกระดิกรน่อยแอาจารย์ก็ให้เขารู้สึกตัวสิหนูยังทําไม่ได้เลยอ่ะเราสอนยังไงอาจารย์ยังทําไม่ได้แอาจารย์สองยังไอเราต้องฝึกเราก่อน เอาหนะ่าทำหน้าที่อาค่อยเต็มพี่เราก็ฝึกตัวเราให้จํานานแล้วเราก็ไปบอกเขาจะเก่งจะช่วยแต่ร่างกายาเดียวไม่น่าจะช่วยจิตใจก็ด้วยจะเก่งอย่างน้อยช่วยตัวเราได้ก่อนอาจารย์สอนเบื้องต้นหนุนหน่อยสิคะ เ, <laughs> เขาสอนอาจจะแย่ไปเรามาศึกษาดูเบื้องต้นการเจริญสติเนี่ยให้รู้สึกตัวเนี่ยเราศึกษาวิธีการเจริญแล้วก็ลองมาทําดูไม่ยากเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยแค่ถูนิ้วมือลแล้วก็รู้สึกเบาๆมันก็มีสติเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ให้รู้สึกรู้สึกเนี่ยเจตนารู้สึกรู้สึกที่การเคลื่อนไหวของกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้รู้สึกตัวเวลามันเกิดความคิดก็อย่าไปความคิดนะกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันคิดอีกก็กลับมารู้สึกตัวขยันที่จะรู้สึกมันที่จะรู้สึกบ่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็เคยชินที่จะรู้สึกมากกว่าคิดนะขยันรู้ขยันรู้บ่อยๆเขาเนี่ยนะแล้วต่อไปเนี่ยไอ้จิตที่มันรู้สึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะตื่นเห็นทั้งกายเห็นทั้งความคิดที่มันปรุงแต่ง มันก็แตกฉานไปเริ่มต้นจากการรู้สึกตัวเบาๆรู้เล่นๆแบบผ่อนคลายสบายๆรู้แบบแบบมีความสุขรู้แบบสดชื่นเนี่ยมันเป็นตัวปฏิบัติที่มันดูแล้วมันง่ายแต่มันก็ง่ายรับรองไม่ยากมันง่ายเนี่ยผมเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะใหม่ๆพะนอนพลิกมือเล่นเนี่ยอยากคนทุกนะนอนพลิกมือแล้วก็รู้สึกเล่นๆทาเล่นๆหลวง่เขียนบอกทาเล่นๆรู้สึกไป เวลามันคิดอย่าไปตามความคิดนะอย่าไปตามความคิดนะให้มารู้สึกเอาไว้มันคิดอีกก็อย่าไปตามมันนะกลับมารู้สึกตัวไว้ทันอยู่แค่เนี้วันวันหนึ่งเออมันตื่นมันตื่นออกมาจากความคิดได้ซึ่งแต่ก่อนผมนี่คิดมากสารพัดคิดกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดปรุงแต่งคิดจนกระทั่งมันคิดจนเบื่อละเอามารู้สึกตัวมันอิ่มเหมือนกันนะคิดนานเข้ามันก็อิ่มมนรู้สึกตัวมันเหนื่อยละ มารู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเงี้ยเวลามันคิดไปก็คิดไปแล้วก็มารู้สึกเนี่ยเห็นความคิดกับจิตที่รู้เนี่ยมันเดินคนละเลนกันเลยเพราะเราไม่ไปกับมันเราไม่ไปกับมันกลับมารู้สึกก็เห็นกองของความคิดเนี่ยกองของกายเคลื่อนไหวกองของจิตผู้รู้มันก็แบ่งกองกองมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยเราฝึกดูนะคนพิการยังทําได้เลยลําเล่นเล่นคือทําแบบไม่หวังผลน่ะ ทำแบบไม่หวังผลน่ะคือทําเล่นๆเห็นไหมเราเคยดูหนังโฆษณาไหมเนี่ยตอนดูหนังละครเราก็อินกับละครเต็มร้อยเลยแต่พอโฆษณาเออพอโฆษณาเราไม่ได้หวังอะไรมันนยฟังดูฟังๆดูดูผ่านๆไปัติแบบเล่นไปแบบไม่ต้องหวังผลนั่นแหละคือทําเล่นๆถ้าเอาจริงนี่มันต้องเอาผลใช่ไหมทําเล่นๆคือทําแบบไม่หวังผลได้ก็ช่างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำรู้สึกตัวไปเรื่อยจิตมันก็ ดีปกติต้งแต่เริ่มต้นแล้วมันผ่อนคลายเนี่ยเริ่มต้นแล้วทําเล่นๆแบบสดชื่นทํายิ้มๆอมยิ้มเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแบบอมยิ้มจิตมันก็เบิกบานอารมณ์ต่าง ๆ, ๆมันเข้าไม่ได้หรอกมันอายอายจิตที่มันเบิกบานมันเข้าไม่ถึงทําเล่นๆคือทําแบบไม่หวังผลอะไรไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรมันทําใจไม่ได้ใช่ไม่มทําแล้วมันต้องเอาก็ <c oughs> <c oughs> คนในโลกก็เป็นอย่างนี้แหละ ขอบคุณค่ะอาจารย์จะไปลองทำเล่นๆดูใช่ทำเล่นๆสวัสดีอาจารย์นะครับครับก็ความรู้สึกคือเมื่อก่อนไปปฏิบัติที่วัดตาสุขาโตครับแล้วก็หลวงปู่วรเทพสอนครับแล้วตอนนี้ไม่มีหลวงปู่ก็เลยรู้สึกเครงขว้างครับครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่อยู่กับตอนนี้ก็เป็นคือมันจะรู้สึกเหมือน ไม่มีตัวเองคือเหมือนกับแบบมันมีคนหนึ่งมาดูเรากําลังเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะรู้สึกแบบเแข็งค้างเหมือนเราไม่ ม, มีมันบอกไม่ถูกครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับแปลว่าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นอยู่กับการเคลื่อนไหวสิจิตมันลอยอยู่มันไม่มีที่เกาะมันเหมือนจะสัมภเวสีจิตสัมภเวสีเป็นผีสับสน เนีย่ยลกก่ะเกาะไม่ได้แสดงว่าเราเจริติอยู่กับฐานกายยังไม่แน่นยังไม่ชํานาญให้ไม่ได้เราธรรมดาดีแล้วละ่ะนั่นคือสภาวะธรรมที่มันหลงครับแล้วก็กลับมาอยู่กับฐานกายเคลื่อนไหวไปตรงนี้ให้ชํานาญแล้วต่อไปจิตมันก็จะไม่ลอยมันจะมีที่เกาะถ้ามีที่เกาะแล้วเนี่ยมีที่เกาะลเราจะมองตรงไหนมันก็เห็นเห็นความคิดเห็นเวทนาการปรุงแต่งให้มีจิตมีที่เกาะสักหน่อย จิตอยู่กับกายเนี่ยเหมือนเราอยู่กับบ้านมันปลอดภั ย, ยถ้าออกนอกบ้านเมื่อไหร่ก็เจ็บตัวจาไปเลยนะเพราะถ้ากลับมารู้สึกตัวกับกายเกาะคําว่าเกาะเนี่ไม่ใช่กอดอาศัยแตะรู้เฉยแล้วเพราะที่จะปล่อยได้เมื่อจิตมันโตแล้วก็ปล่อยฐานลงไปได้นะเพราะฉะนั้นะนให้มีสติอยู่กับกายให้นานให้มันชํานาญก่อนครับแล้วพ่อบางทีก็มาตรวจ ด, ดูกับตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่า พอไม่มีอาจารย์คุยด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะแบบเหมือนกับโยโซมานัสิการเองว่าอ๋อสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยคืออย่างไปไ ป, ไปถามในเว็บเขาบอกว่าให้รู้ต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ๋อรู้ว่ามันลอยไปบางทีมันก็เหมือนกับว่าเราออกมาดูตัวเองบางทีมันก็คิดว่าเอ๊หรือว่าเราใจลอยไปพอมันรู้สึกพอมันกลับมาที่ฐานอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็รู้สึกตัวบางทีมันก็แบบเผลอไปเพ่งบ้างอะไรเงี้ยครับ ผมก็คิดว่าเออมันคงแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนคนละเมอละเมออ<ช>ยู่แล้วเราเคมีการปรุงแต่งเยอะแล้วการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นน่ะนั้นอย่าอย่าไปสนใจมาเลยมันเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรามารู้สึกตัวของเราดีกว่ากับกายที่มันเคลื่อนไหวตรงนี้ไปก่อ น, นให้มันพัฒนาตรงนี้ไปก่อนมีหลักไม่เป็นไรหรอกปู่อรเทพไม่อยู่ไม่เป็นไราติธรรมเรามีมากมายเราไม่ใช่บรรลุธรรมเพราะท่านอยู่รูปเดียวเรามีครูบาอาจารย์มีเพื่อนฝูงกาณมิตรมากมายไม่เป็นไร และต่อไปเราต้องฝึกที่จะเดินที่ตัวของเราเองผมปฏิบัติที่บ้านเนี่ไม่มีปู่ไม่มีใครนะมีแต่พ่อทำงานแม่ทำงานแล้วก็นอนเจริญสติอยู่คนเดียวบนเตียงอาศัยที่เรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราทำเชื่อมั่นในที่เราทำว่ามันดับทุกข์ได้แล้วก็ฝากฝันที่ตัวของเราเองมันจะได้โตถถท่ดีได้แข็งแรงาทาีเราจะได้ไม่ต้องมีใครเป็นที่พึ่งเราพึ่งตัวเราเองก่อน และต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้ด้วย